สนาถการณวัคหมวดว่าด้วยนาถการณธรรม 1. เสนาสนสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของเสนาสนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอาศัยใช้สอยเสนาสนะอันประกอบด้วยองค์ห้าไม่นานนักก็จะทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลก เป็นสรตทีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. เป็นผู้มีอาภาษณน้อยมีโรคเบาบางประกอบเรลือไฟท่าสำหรับย่อยอาหารสม่าเสมอไม่เย็นจัดไม่ร้อนจัดเป็นปานกลางควรแก่การบำเพ็ญเพียร 3. เป็นผู้ไม่อ้วอวดไม่มีมารยา ทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในาศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรีผู้รู้ทั้งหลาย 4. เป็นผู้ปรารบความเพียนเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่5เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริย จำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หาเป็นอย่างนี้แลเสนาสะนะประกอบด้วยองค์หาเป็นอย่างไรคือเสนาสะนะในธรรมวินัยนี้ 1. อยู่ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักมีทางไปมาสะดวกกลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนมีเสียงน้อยไม่อึ ก, กทึกมีเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานกระทบน้อย 2. เมื่อภิกษุอยู่ในเสนาสนั้นมีจีวรบินทบาทเสนาสะนะและคิลานปัจจัยเพศสัตว์บริขารที่เกิดขึ้นโดยไม่ฝึกเคืองเลย 3. ภิกษุผู้เทระทั้งหลายเป็นพระหูสูตรเรียนจบคำพีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาอยู่ในเสนาสนั้น 4. ภิกษุนั้นเข้าไปหาภิกษุผู้เทระเหล่านั้นในเวลาที่สมควรแล้ว จึงสอบถามใตาถามว่าพุทธพจนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจนี้เป็นอย่างไร 5. ภิกษุผู้เทระเหล่านั้น่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่เปิดเผยทำข้อที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้นเสนาสะนะประกอบด้วยองค์หเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอาศัยใช้สอยเสนาสะนะอันประกอบด้วยองค์ห้าไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งละถึงเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเสนาสะนะสูตรที่หนึ่งจบ สปัญจคสูตรว่าด้วยองค์ห้าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ละองค์ห้าประกอบด้วยองค์ห้าบัณฑิตเรียกว่าผู้ประกอบด้วยคุณทั้งมวลผู้อยู่จบพรมจารย์เป็นอุดมมะบุรุษในธรรมวิ น, นัยนี้ภิกษุผู้ละองค์ห้าเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1., เป็นผู้ละกามฉันทะ ความพอใจในกาม 2. เป็นผู้ละพยาบาทความคิดร้าย 3. มเป็นผู้ละถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึม 4. เป็นผู้ละอุทะจกุกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจ 5. เป็นผู้ละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยภิกษุเป็นผู้ละองคห5เป็นอย่างนี้แล ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยองค์หเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัย น, นี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันธ์กองศีลที่เป็นอาศะสอ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิขันธ์กองสมาธิที่เป็นอาศะสา 3. เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาขันธ์กองปัญญาที่เป็นอาศะสี 4. เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุติขันธ์กองวิมุติ ที่เป็นอเาเซฆะ 5. เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติญาณทัศนขันกองวิมุตติญาณทัศนะที่เป็นอาเซฆะภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ละองค์หประกอบด้วยองค์หบัณฑิตเรียกว่าผู้ประกอบด้วยคุณทั้งมวลผู้อยู่โจโพรมาจันเป็นอุด ม, มบุรุษในธรรมวินัยนี้ กล้ามาฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทัทจจกุกุจจะและวิจิกิจชาย่อมไม่มีแก่ภิกษุโดยประการทั้งปวงภิกษุผู้เช่นนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลขันธ์ที่เป็นอเศขะสมาธิขันธ์ที่เป็นอเศขะปัญญาขันธ์ที่เป็นอเศขะวิมุติขันธ์ที่เป็นอเศขะและวิมุติญาณทัศนขันธ์ที่เป็นอเศขะภิกษุนั้นแหลผู้ละองห้าได้สมบูรณ์ด้วยองหา้า ภิกษุนั่นแหลบัณฑิตเรียกว่าผู้ประกอบเรื่องคุณทั้งมวลในธรรมวินัยนี้ปัญจังคสูตรที่สองจบ 3. สังโยชนะสูตรว่าด้วยสังโยตภิกษุทั้งหลายสังโยตทาที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์สิประการนี้สังโยตสิประการอะไรบ้างคือโอรัมภิยะสังโยต สังโยชน์เบื้องต่ำหประการอุทธรัรมภากขิยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูง5ประการโอรัมภากขิยสังโยชน์หประการอะไรบ้างคือ 1. นสักกายทิฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตน 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย 3. าสีรพตปราะฏมาตความถือมั่นศีลพรด 4. กาเมชันทะความพอใจในกาม 5. พยาบาทความคิดร้ายโอรัมภาขีสังโยชน้ประการนี้อุทธรมภาขีสังโยชน้ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌาน 2. องอรูปปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌานสามมานะความถือตัว 4. อุทธัจจะความฟุ้งซ่าน หาอาวิชาความไม่รู้แจ้งอุท ธ, ธรรมภาคยสังโยชน์5ประการนี้ภิกษุทั้งหลายสังโยน1ิประการนี้แลสังโยชนะสูตรที่สามจบ ขีและสูตรว่าด้วยกิเลสเ ค, ครื่องตรึงจิตดุจตะปูภิกษุทั้งหลายกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูห้าประการที่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุหรือภิกษ UN ุณีก็ตามยังละไม่ได้กิเลสเครื่องผูกใจห้าประการที่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุหรือภิกษ UN ุณีก็ตามยังตัดไม่ขาดเมื e? ่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไป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 ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึงหน่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตปูประการที่หนึ่งที่พิษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึง่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียรยังละไม่ได้สองเครื่อบแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในธรรมละถึง นี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตตะปูประการที่สองที่ภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียรอย่างละไม่ได้3เครื่องแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสงละถึงนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตตะปูประการที่สามที่ภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนือง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 ที่ภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรอย่างละไม่ได้นี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูห้าประการที่บุคคล น, นั้นยังละไม่ได้กิเลสเครื่องผูกใจ5ประการที่บุคคล น, นั้นยังตัดไม่ขาดอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกาหนัด ไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความอยากในกามทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความอยากในกามทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทาต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่หนึ่งที่ภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียรยังตัดไม่ขาด 2. เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกําหนัดในกายละถึงนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่สอง ที่ภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรยังตัดไม่ขาดสามเป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในรูปและถึงนี้เป็นกิเลสเครื่องผู่ใจประการที่สามที่ภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบนหนึ่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรยังตัดไม่ขาด 4. ชั้นอาหารตามความต้องการจนอิ่มเกินไปประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกขนเกความสุขในการหลับอยู่และถึงนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่สที่ภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียนยังตัดไม่ขาด 5. ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิยายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่า ด้วยศีล yeah. วัตตะบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจักเป็นเท พ, พเจ้าหรือเทพตนใดตนหนึ่งจิตของภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัตตะบะหรือพรหมจรรยน์นี้เราจักเป็นเท พ, พเจ้าหรือเทพตนใดตนหนึ่งย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียร นี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่5ที่ภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรอย่างตัดไม่ขาดนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการที่บุคคลนั้นยังตัดไม่ขาดกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตปู5ประการนี้ที่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิษุหรือภิษุณีก็ตามยังละไม่ได้ สิเลเครื่องผูกใจห้าประการนี้ที่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามยังตัดเมขาดเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไปเขาพึงหวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเจริญเลยเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของดวงจันทร์ในการรักปักข้างแรมผ่านไปดวงจันทร์นั้นย่อมเสื่อมจากความงามย่อมเสื่อมจากรัศี ย่อมเสื่อมจากแสงสว่างย่อมเสื่อมจากด้านยาวและด้านกว้างฉันใดกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตปูหประการนี้ที่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามยังละไม่ได้กิเลสเครื่องผูกใจ5ประการนี้ที่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามยังตัดไม่ขาดเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไป เขาพึงหวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเจริญเลยฉันนั้นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตตะปูห้าประการที่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามละได้แล้วกิเลสเครื่องผูกใจห้าประการที่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามตัดขาดแล้วเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไป เขาพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยคีเลฆเครื่องตรึงจิตดุตปูหประการที่บุคคล น, นั้นละได้แล้วอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ไม่เคลือบแคลงสงสัยน้อมใจเชื่อเลื่อมใสในศาสดาจิตของภิกษุผู้ไม่เคลือบแคลงสงสัยน้อมใจเชื่อเลื่อมใสในศาสดานั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียร น, นี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตปูประการที่หนึ่งที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียรละได้แล้ว 2. ไม่เคลือบแคลงสงสัยน้อมใจเชื่อเลื่อมใสในพระธรรมละถึงนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตปูประการที่สอง ที่พิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึง่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรละได้แล้ว 3. ไม่เคลือบแคลงสงสัยน้อมใจเชื่อเลื่อมใสในพระสม์ละถึงนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจ ต, ตะปูประการที่สที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึง่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรละได้แล้ว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 จิตของภิกษุผู้ไม่โกรธพอใจมีจิตไม่ถูกโทสะกระทบมีจิตไม่แข็งกระด้างในเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายนั้นย่อมน้ อ, ไอมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึง่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตโตปะการนที่หที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทาต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียรละได้แล้ว นี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตปู5ประการที่บุคคลนั้นละได้แล้วกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการที่บุคคลนั้นตัดขาดแล้วอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. นเป็นผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความอยากในกามทั้งหลาย จิตของภิกษุผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความอยากในกามทั้งหลายนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่หนึ่งที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนือง เพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรตัดขาดแล้ว 2. เป็นผู้ปราศ จ, จากความกําหนัดในกายละถึงนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่สองที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งๆเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรตัดขาดแล้ว 3. เป็นผู้ปราศ จ, จากความกําหนัดในรูปละถึง นี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่3ที่ภิกสุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรตัดขาดแล้ว 4. ชั้นอาหารตามต้องการจนอิ่มแล้วไม่ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอกขนเนกความสุขในการหลับอยู่และถึงนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่สี่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 ด้วยศีลวัตตะบะหรือพรหมจารินี้เราจะเป็นเท พ, พเจ้าหรือเทพตนใดตนหนึ่งย่อมน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียร น, นี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่ห้าที่ภิกษุผู้มีจิตน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืง่งเนืองเพื่อกระทาต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียรตัดขาดแล้ว นี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการที่บุคคลนั้นตัดขาดแล้วกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจปูหประการนี้ที่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามละได้แล้วกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการนี้ที่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามตัดขาดแล้วเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไป เขาพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศรธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของดวงจันทร์ในชุนหะปักข้างขึ้นผ่านไปดวงจันทร์นั้นย่อมเจริญด้วยความงามย่อมเจริญด้วยรัศมีย่อมเจริญด้วยแสงสว่างย่อมเจริญด้วยด้านยาวและด้านกว้างฉันใดกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตปูห้าประการนี้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 อปมาทสูตรว่าด้วยความไม่ประมาทเลิศกว่ากุศลธรรมภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสี่เท้าหรือมีเท้ามากก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาไม่มีสัญญาหรือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามมีประมาณเท่าใดตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า บัณฑิตกล่าวว่าเลิกกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้นฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีความไม่ประมาณเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาณความไม่ประมาณบัณฑิตกล่าวว่าเลอกกว่ากุศลธรรมเหล่านั้นรอยเท้าของสัตว์ที่เที่ยวไปบนแผ่นดินทั้งหมดรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่าเลกว่ารอยเท้าเหล่านั้น เพราะเป็นรอยเท้าใหญ่ฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบันฑิตกล่าวว่าเลิ่กว่ากุศลธรรมเหล่านั้นกรอนของเรือนยอดทั้งหมดทอดไปถึงยอดรวมลงที่ยอดยอดเรือนชาวโลกกล่าวว่าเลิ่กกว่ากรอนเหล่านั้นทั้งหมดฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบรรดึกกล่าวว่าเลิกกว่ากุศลธรรมเหล่านั้นกลิ่นหอมที่เกิดแต่รากชนิดใดชนิดหนึ่งกลิณนาชาวโลกกล่าวว่าเลิกกว่ากลิ่นหอมที่เกิดแต่รากเหล่านั้นชั้นใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ชั้นนั้นเหมือนกันละถึงกลิ่นหอมที่เกิดแต่แก่นชนิดใดชนิดหนึ่ง จันแดงชาวโลกกล่าวว่าเลิกกว่ากลิ่นหอมที่เกิดแต่แก่นเหล่านั้นชั้นใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ชั้นนั้นเหมือนกันละถึงกลิ่นหอมที่เกิดแต่ดอกชนิดใดชนรริดหนึ่งดอกมะลิชาวโลกกล่าวว่าเลิกกว่ากลิ่นที่เกิดแต่ดอกเหล่านั้นชั้นใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ชั้นนั้นเหมือนกันละถึงพระราชาผู้มีอำนาจน้อยทั้งหมดย่อมคล้อยตามพระเจ้าจักรพรรด พระเจ้าจักรพรรดิชาวโลกกล่าวว่าเลิกกว่าพระราชาผู้มีอำนาจน้อยเหล่านั้นชั้นใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ชันนั้นเหมือนกันและถึงแสงสว่างของดวงดาวทั้งหมดย่อมไปถึงเสี้ยวที่16แห่งแสงสว่างของดวงจันทร์แสงสว่างของดวงจันทร์ชาวโลกกล่าวว่าเลิกกว่าแสงสว่างของดวงดาวเหล่านั้นฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึง ในศาสตร์ฤดูเมื่อฝนขาดหายปราศจากเมฆดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นสู่ท้องฟ้ากำจัดความมืดที่มีอยู่ในอากาศทั้งหมดย่อมส่องแสงแผ่แสงเจอจ้าและแจ่มกระจ่างฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงแม่น้ำใหญ่ทั้งหมดคือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิรวดีแม่น้ำสรภูแม่น้ำมห ah e, ีทั้งหมด ย่อมไหลบ่าลงสู่มหาสมุทรน้อมไปสู่มหาสมุทรโน้มไปสู่มหาสมุทรโอนไปสู่มหาสมุทรมหาสมุทรชาวโลกกล่าวว่าเลิกกว่าแม่น้ำใหญ่เหล่านั้นฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิกกว่ากุศลธรรมเหล่านั้นอภมาทัสูตรที่ห้าจบ หกอหุเนยสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายภิกษุทั้งหลายบุคคลสิบจาพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลสิบจาพวกไหนบ้างคือหนึ่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า สพระปัจเจกสัมพุทธเจ้า 3. ท่านผู้เป็นอุปตโตภาควิมุตสี่ท่านผู้เป็นปัญญาวิมุตห้าท่านผู้เป็นกายสัก ข, ขี 6. ท่านผู้เป็นทิฏฐิปัตะ 7. ท่านผู้เป็นสัทธาวิมุตแปดท่านผู้เป็นธรรมานุสารี 9. ท่านผู้เป็นสัทานุสารี10 ท่านผู้เป็นโคตรภูภิกษุทั้งหลายบุคคลสิบจำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอาหุเนยสูที่หจบ 7. ปฐมนาถสูตรว่าด้วยนาถกรณธรรมสูตรที่หนึ่งุทุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิด อย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์นาทะกรณธรรมทำเครื่องกระทำที่พึ่งสิบประการนี้นาทะกรณธรรมส0บประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระมารยาทและโคจรการเที่ยวไป มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีศีลและถึงสมธานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้ก็เป็นนาถกรณธรรม 2. เป็นผู้หูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฐิแม้การที่ภิกษุเป็นผู้หูสูดละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฐินี้ก็เป็นนาถกรณธรรม 3. เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดี นี้ก็เป็นนาถะกระณะธรรม 4. เป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายอดทนรับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพแม้การที่ภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายอดทนรับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพนี้ก็เป็นนาถะกระณะธรรม 5. เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทา ั้งงานสูงและงานต่ำของเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นสามารถทำได้สามารถจัดได้แม้การที่พิกษุเป็นผู้ขยันไม่เกียจครา้านในการงานที่จะต้องช่วยกัน ท, ทาทั้งงานสูงและงานต่ำของเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายและถึงสามารถทำได้สามารถจัดได้ นี้ก็เป็นนาถกรณธรรม 6. เป็นผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจมีปราโมทอย่างยิ่งในอภิธรรมในอภิวินัยแม้การที่ภิกษุเป็นผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจมีปราโมทอย่างยิ่งในอภิธรรมในอภิวินัยนี้ก็เป็นนาถกรณธรรม 7. เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละ อ, อกุศลธรรม เพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่แม้การที่ภิกษุเป็นผู้ปรารกความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่นี้ก็เป็นนาทะกรณธรรม 8. เป็นผู้สันโดษ ด, ด้วยจีวอนบินบาบเสนาสนะ และคิลานปัจจัยเพสัชบริคารตามแต่จะได้แม้การที่ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวร์บินบาตะเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพสัชบริคารตามแต่จะได้นี้ก็เป็นหน้าถะกรณธรรมเก้าเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้แม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีสติ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 เห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชํำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ก็เป็นนาทะกระณธรรมภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์นาทะกระณธรรมสิประการ น, นี้แหละปฐมนาถสูตรที่เจ็ดจบ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 ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระก็ดีผู้เป็นมัชิมะก็ดีผู้เป็นนวักะก็ดีย่อมสำคัญภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวสั่งสอนได้ว่าภิกษุนี้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมพีีพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายหนอภิกษุนั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเถระ ผู้เป็นมัชิมะผู้เป็นนวกะอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในคุณสมนธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนี้ก็เป็นนาทะกรณะธรรม 2. เป็นพ่หูสูตรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระก็ดีผู้เป็นมัชิมะก็ดีผู้เป็นนวกกะก็ดีย่อมสำคัญภิกษุนั้นว่า เป็นผู้ควรว่ากล่าวสั่งสอนได้ว่าภิกษุนี้เป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งทำทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่้ำกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรมจันทร์พร้อมทั้งอัถฐและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิหนอ ภิกษุนั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเถระผู้เป็นมัชฌิมะผู้เป็นนวิกะอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนี้ก็เป็นน้าทะกระณธรรม 3. เป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระก็ดีผู้เป็นมัชฌิมะก็ดีผู้เป็นนวิกะก็ดีย่อมสําคัญภิกษุนั้นว่า เป็นผู้ควรว่ากล่าวสั่งสอนได้ว่าภิกษุนี้เป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีหนอภิกษุนั้นผู้อัานภิกษุผู้เป็นเทระผู้เป็นมัชฌิมะผู้เป็นนว ก, กะอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนี้ก็เป็นนาทะกรณธรรม 4. เป็นผู้ว่าง่าย ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทําให้เป็นผู้ว่าง่ายอดทนรับฟังคําพร่ำสอนโดยเคารพภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระก็ดีผู้เป็นมชิมะก็ดีผู้เป็นนวักะก็ดีย่อมสําคัญภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ว่ากล่าวสั่งสอนได้ว่าภิกษุนี้เป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทําให้เป็นผู้ว่าง่ายอดทนรับฟังคําพร่ำสอนโดยเคารพนอภิกษุนั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเถระ ผู้เป็นมัชชิมะผู้เป็นนวักะอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุณธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนี้ก็เป็นนาถะการณธรรม 5. เป็นผู้ขยันไม่เกียกรคร้าในการงานที่จะต้องช่วยกันทําทั้งงานสูงและงานต่ําของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทํานั้น สามารถทำได้สามารถจัดได้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระก็ดีผู้เป็นมัชิมะก็ดีผู้เป็นนวกะก็ดีย่อมสำคัญภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวสั่งสอนได้ว่าพิกษุนี้เป็นผู้ขยันไม่เกียเคราในการงานที่จะต้องช่วยกันทาทั้งงานสูงและงานต่ำของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา อันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นสามารถทำได้สามารถจัดได้หนอภิกษุนั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเถระผู้เป็นมัชิมะผู้เป็นนวกะอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในคุณสมธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนี้ก็เป็นน้าทะรณธรรม 6. เป็นผู้ใคร่ทำเป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจ มีปราโมทอย่างยิ่งในอภิธรรมในอภิวินัยภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระก็ดีผู้เป็นมัชฌิมะก็ดีผู้เป็นนวกะก็ดีย่อมสำคัญภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวสั่งสอนได้ว่าภิกษุนี้เป็นผู้ใครธรรมเป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจมีปราโมทอย่างยิ่งในอภิธรรมในอภิวินัยหนอภิกษุนั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเทระ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 ผู้เป็นมัชชิมะก็ดีผู้เป็นนวักะก็ดีย่อมสําคัญภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวสั่งสอนได้ว่าภิกษุนี้เป็นผู้ปรารกความเพียนเพื่อละอกุโสณธรรมเพื่อให้อุคุโสธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุคุโสณธรรมทั้งหลายอยู่หนอภิกษุนั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเถระผู้เป็นมัชชิมะผู้เป็นนวักะอนุเคราะห์แล้ว พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในคุสนธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนี้ก็เป็นนาถะกรณธรรม 8. เป็นผู้สันโดดด้วยจีวรนบินทบาทเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพศเปริ์ขารตามแต่จะได้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระก็ดีผู้เป็นมชิมะก็ดีผู้เป็นนวกะก็ดีย่อมสำคัญภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวสั่งสอนได้ว่า ภิกษุนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิฬานปัจจัยเพษสัตว์บริขารตามแต่จะได้หนอภิกษุนั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเทระผู้เป็นมัชฌิมะผู้เป็นนวกะอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนี้ก็เป็นนาทะรณธรรมเเป็นผู้มีสติ คือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทําและคําที่พูดแม้นานได้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระก็ดีผู้เป็นมชิมะก็ดีผู้เป็นนวักะก็ดีย่อมสําคัญภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวสั่งสอนได้ว่าภิกษุนี้เป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทําและคําที่พูดแม้นานได้หนอ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 ผู้เป็นนวกระอนุเคราะห์แล้วพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในคุณธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยนี้ก็เป็นนาทกรณะธรรมภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์นาทกรณะธรรมส10ประการนี้แหลทุติยนาถสูตรที่8จบ